นี่ลพินถ้าฉันได้เคยพูดไว้ก่อนแล้วก็อยากจะขอย้ำอีกสักครั้งนะกระสุนไร i ฟิลของคุณฉันยอมรับว่าคมเฉียบที่สุดแล้วต่อเป้าหมายที่คุณจะยิงแต่วาจาของคุณน่ะมันคมเฉียบยิ่งกว่าลูกไรเฟิลสิเอาลถ้าคุณไม่เกลียดไม่กลัวไม่ระแวงฉันซะได้ฉันก็ดีใจ ฉันน่ะไม่ใช่คนดีคนงามอะไรนักหรอกแล้วก็มีเพื่อนไม่มากแม้จะรู้จักหรือเกี่ยวข้องกับคนมามากก็ตามแทบทุกคนเกลียดกลัวขยักขยแยงต่อฉันถ้าหากเขาบังเอิญมารู้เบื้องหลังของฉันซึ่งบางขณะก็รู้อย่างผิดผิดถูกถูกใครจะรู้ที่มาของฉันโดยเป็นของจริงล้วนๆฉันไม่กลัวหรอกแต่ตัวจะรู้ไม่จริงทันนั้นแหละ อ่างั้นตอบผมได้ไหมล่ะว่าทำไมคนถึงจะต้องเกลียดต้องกลัวหรือขยะขยงต่อคุณถ้ารู้ประวัติของคุณนี่คุณพูดเองนะผมก็เลยสงสัยขอถามมั่ง้ะพินฉันก็บอกไม่ถูกเหมือนกันนะบางทีจะเป็นเพราะคนเหล่านั้นไม่รู้จริงนะสิโดยมีบทขยายความสร้างภาพพจน์ของฉันเลยถือออกไป คุณพิจารณาเอาเองต่อไปก็แล้วกันระดับความนึกคิดของคุณนสูงโลกระทัศของคุณกว้างไกลสติปัญญาเหนือระดับบุคคลทั่วๆไปในรายเฉลีย่ยฉันบอกแล้วว่าฉันไม่สามารถจะเป็นเพื่อนกับคนได้ทุกคนไปแร้วคริสคุณเคยได้ยินสุภาษิตบทนี้ไหม a f f r a d to all a friend to none ใครที่สามารถเป็นเพื่อนกับคนทุกคนได้ก็แปลว่าไม่เคยเป็นเพื่อนแท้กับใครเลยเพราะฉะนั้นก็ไม่น่าจะเป็นจุดอ่อนหรือปมด้อยอะไรของคุณในข้อที่ว่าคุณไม่สามารถจะเป็นเพื่อนกับคนได้ทุกคนไปถึงผมเองก็เหมือนกันไม่อาจาเป็นเพื่อนกับคนทุกคนโดยไม่เลือกหน้าได้ แต่ถ้าลงได้ยอมรับนับถือเป็นเพื่อนกันแล้วความหมายมันมีมากนะคริสติน่าลอบถอนใจแววตาที่แลมายังเขาเปลี่ยนไปมันมีทั้งประกายยำเกรงนิยมชมชื่นและพอใจชนิดซ่อนเร้น พ, พึมพำออกมาโดยไม่ตั้งใจบางทีฉันอาจแพ้ใจคุณนะประผิด ก็แล้วคุณคิดจะชนะอะไรผมแล้วคริสผมไม่ได้ต่อสู้กันเราไม่ได้ต่อสู้กันในเรื่องอะไรเลยนี่หรือว่าคุณมองผมเป็นคู่ต่อสู้ของคุณระพินคุณคิดว่าฉันพอจะเป็นเพื่อนคุณได้ไหมเฉพาะในเส้นทางเดินนี่ใช่ไหมคริส no forever ตลอดไป ถ้าบังเอิญว่าเรารอดชีวิตกลับไปสู่โลกภายนอกได้ทนะั้งนั้นคุณน่ะคุณคิดอย่างนั้นไหมฉันฉันพิสติน่าตะกุกตะกักในน้ำเสียงเอานิ้วเคียเส้นผมสั้นๆที่ปลิวลงมาเคลียร์อยู่เหนือคิ้วยาวเรียวฉันก็อยากจะให้เป็นเช่นนั้นนะ เวลาจะเป็นเครื่องพิสุจ์ถ้าเราไม่ชิงตายกันไปเสียก่อนและในฐานะของคนซึ่งอยากจะคิดเป็นเพื่อนขอได้สักอย่างได้ไหมคริสคุณจะขอว่าอยากคิดมามีสัมพันธ์ทางใจหรือทางกายกับคุณใช่ไหมหล่อนดักคอมาสุภาพบุรุษไพรสั่นศีศาสากช้าช้า ข้อนั้นไม่ใช่สิ่งที่ผมจะต้องขอร้องคุณหรอกก็บอกกันตรงๆว่าผมอาจแกล้งสร้างสถานการณ์เชิงรักนวลสงวนตัวไว้เพื่อให้คุณตายใจแต่แท้จริงแฝงอุบายที่จะล่อลวงเอาคุณมาเป็นเครื่องบำบัดอารมณ์เปรี่ยวผมก็ได้อย่ามเมื่อใดโอกาสเหมาะไม่มีพึ่งตัวไหนที่มันดังเกียรตดอกไม้หรอกคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งดอกไม้ที่กลีบเกรสรงามยั่วตาอย่างคุณ แต่สิ่งที่ผมจะขอร้องคุณก็คือผมขอนะอย่าทำร้ายอะไรเบลอีกไม่ว่าจะต่อหน้าหรือรับหลังผมเบนสู้คุณไม่ได้ในทุกทางไม่ว่าจะในสภาพทางกายหรือทางจิตดูผ่าดแล้วว่าเขาเป็นคนที่ชอบสร้างปัญหาเป็นภาระและอาจจะก่อความวุ่นวายให้แกคณะมากที่สุดแต่ถ้าจะดูให้ลึกแล้ว เขาเป็นผู้หญิงที่น่าสงสารใช่มากกว่านะคุณแล้วก็ไม่น่าจะต้องมาเสี่ยงในการเดินทางครั้งนี้เลยลักษณะของคุณที่กระทำต่อเด็กคนนั้นเมื่อครู่นี้นะ่ะไม่ใช่ลักษณะของคริสตินากรูบิ้นเลยคุณทำให้ผมตกใจนะคริสแม่ผมทองยืนนิ่งรับพิเก้าวเข้ามาประชิดยิ้มให้อย่างมิตร พร้อมทั้งอบแขนไปประคองเอวคอดเหนือสะโพกกลุ่มนั้นรังให้ออกเดินไปด้วยพลางกล่าว่าไปเราเคลื่อนที่กันเถอะพักพวกล่วงหน้าไปกันไกลแล้วเขาอาจจะสงสัยว่าผมกับคุณมาทำอะไรอยู่ด้านหลังนี่นานเกินกว่าเหตุระพิงคุณมีความเป็นสุภาพบุรุษจริงๆนะสุภาพบุรุษซะจนฉันต้องอายตัวเอง คริสติน่าพูดเสียงแผ่วเบาหางเสียงหมายความตามที่พูดอย่างแท้จริงไม่ใช่เสียแสงคริสคราวนี้คุณก็คงพอจะเข้าใจความหมายแล้วสินะว่าสุภาพบุรุษหรือ g e นต l e m a n มันไม่ได้อยู่ที่ชุดแบล็กทยคอยถอดเสื้อคลุมหรือเลื่อนเก้าอี้ให้สุภาพสตรีนั่งแต่ในขณะเดียวกัน ก็มีความคิดสกปรกเต็มไปด้วยเลขกลของหมายจิ้งจอกพอกไว้ในหัวพร้อมที่จะโกหกหลอกลวงปลิ้นปลอนทรยศหักหลังใครก็ได้ทั้งสิ้นแม้แต่มิตรของตนเองและผู้ที่เคยมีคุณน้ำเสียงของระพินเบาหนุ่มก็สุภาพบุรุษประเภทนั้นยังไงละ่ะที่ทำให้ฉันต้อง คำพูดของคริสติน่าแหบเหือดไปในลำคอผมเข้าใจผมเข้าใจคริสอะละคุณไม่จำเป็นต้องอธิบายอะไรในสิ่งที่คุณรู้สึกว่าจะอธิบายได้ยากหรอกรพินคุณคงไม่รำคาญนะที่ฉันมักจะเอ่ยเรียกชื่อคุณขึ้นลอยลอยบ่อยๆเพื่อจะฟังคุณขานรับ มันมีจุดบันดาลใจอะไรอยู่บางอย่างเกี่ยวกับสำเนียงในการเอ่ยเรียกชื่อของคุณนี่แหละเศร้ามันแปลกทำให้ฉันชอบที่จะขานชื่อคุณอยู่บ่อยๆนะเขาตบที่สะโพกล่อนเบาๆตามสบายเลยคุณผมไม่รำคาญหรอกอยากจะเรียกเมื่อไหร่ก็เชิญเรียกได้ทันทีที่สำคัญก็คืออย่าตะโกนแหลมกรี๊ดขึ้นมาเท่านั้นแหละ เพราะถ้าผมได้ยินในลักษณะนั้นจะตกใจและคิดว่าคุณตกอยู่ในห่วงอันตรายกรบพินฉันอยากจะบอกอะไรกับคุณด้วยปากของฉันเองนะครับผมยินดีรับฟังครับคุณอาจรู้มาก่อนก็ได้จากเบนเมื่อครู่เนี่ยผมไม่รู้อะไรสักอย่างนะคุณ พระเบนก็ไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับตัวคุณเลยนี่ระพิน์อัมแพงอย่างหน้าตายสนิทที่สุดหลั่นชํำเลืองจ้องแล้วจ้องอีกแต่ค้นหาร่องรอยอะไรไม่พบชื่อจริงของฉันระพินท์ฉันชื่อไลลาอาเิตต์กระแสะเสียงนั้นเบาวิวเท่ากระสิก อย่างปกติธรรมดาที่สุดจอมพรานพูดเรียบเรียบว่าฮอคนที่ตกอิสเบรหัวกรมังไปเมื่อครู่นี้ใช่ไหมหล่อนไม่ตอบจอมพรานกล่าวเนิบต่อมาว่าคุณจะชื่ออะไรก็ได้นี่คริสติน่ากรูบิลไลล์ล่าอามิเตตดหรือจะมีชื่ออะไรอีกสักกี่สิบชื่อมันก็ไม่สำคัญ แต่คุณก็คือหญิงสาวโฉมงามผมสีทองตาสีฟ้าหน้าสวยรูปร่างสวยเดินทางมาในคณะค้นหาระเบิดนิวเคลียร์1ิเมกะตันของรัฐบาลสารัฐที่ทำตกสูญหายในภูมิภาคแถบนี้ในฐานะเจ้าหน้าที่คนหนึ่งผมรู้จักแค่นี้ก็พอแล้วนี่นี่คุณไม่สนใจที่มาดั้งเดิมแท้จริงของฉันมั่งหรอกเหรอไม่เลยครับ ผมไม่เคยสนใจอะไรในสิ่งที่นอกเหนือเกินกว่างงานในหน้าที่ของผมเท่านั้นยกเว้นสะแต่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ต่องานผมไม่ชอบเสือกสอดรู้สอดเห็นในเรื่องส่วนตัวอันไม่อยากเปิดเผยของใครครับก็แล้วถ้าถ้าหากว่าเจ้าตัวเขาต้องการจะเปิดเผยล่ะคุณคริสครับ ผมน่ะเคยชินกับการปกปิดอําพรางตอแลหลมดเท็ศมามากแล้วครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกสายรับจาราชนทั้งหลายน่ะคุณทราบประวัติผมดีนี่ก่อนนี้นะผมเคยเป็นตำรวจระเวนชายแดนต้องสืบสวนสอบสวนพวกจาราชนอยู่บ่อยๆจนเบื่อเต็มทียิงทิ้งแล้วก็หลายคนก็เลยเกรงว่าฉันจะสร้างเรื่องเทศซ้อนขึ้นมาอีกใช่ไหละ่ะ คริสครับคนเราน่ะลงในโกหกจนเป็นธรรมชาตินิสัยแล้วมันก็โกหกกันตลอดไปแหละครับแม้จะเอาเรื่องจริงมาพูดผู้ฟังที่คุ้นเคยดีอยู่แล้วก็ย่อมจะเห็นเป็นเรื่องโกหกเสมอมันก็แบบเดียวกันนิทานอีศปเรื่องเด็กเลี้ยงแกะแหละครับคริสติน่ากรูบิลที่เขารู้จักมาหลายวันแล้วหรือไลล่าอามิเต ที่เขาเพิ่งจะมารู้จักตั้เมื่อไม่กี่นาทีนี้คอแข็งชายคนนี้ไม่ชอบพูดหล่อนรำพึงแต่ถ้าเขาพูดขึ้นมาบ้างแล้วหล่อนตามเขาไม่ทันเลยในทุกแง่ทุกมุมเต็มไปด้วยตรร ก, กศาสตร์และปรัชญาที่เถียงไม่ขึ้นเอาละรพินคุณไม่ฟังก็ไม่เป็นไรหรอก แต่ฉันสารภาพว่าฉันไม่ใช่คนดีไม่ได้เป็นอย่างลักษณะภายนอกที่คุณเห็นและเรื่องส่วนตัวที่เคยเล่าให้ฟังเนะ่ะเป็นเรื่องอําพรางทั้งนั้นหล่อนพูดเสียงแหบพระผภูเขาไฟร้ายยมักจะถูกปกคลุมไปด้วยหิ ม, มะระพินพูดเนิบช้าเดินคล้องเอวประคองหล่อน เคียงข้างไปเช่นนั้นอย่างเอาใจแต่ก็มีความจริงอยู่อย่างหนึ่งนะคริสให้ผมเรียกชื่อคุณที่เคยรู้จักไปตามเดิมดีกว่านะความจริงที่ว่านี่ก็คือใครก็ตามที่มองเห็นตัวเองสามารถรู้ว่าตัวเองเป็นคนไม่ดีโดยไม่ต้องมีใครชี้บอกเนะี่ยก็คือคนดีคนนึ่ง อย่าไปคำนึงถึงอดีตเลยคริสคิดถึงปัจจุบันและอนาคตดีกว่าถ้าอนาคตยังพอมีสำหรับตัวเราแล้วก็แก้ไขในสิ่งที่เราไม่ดีมาก่อนแล้วนั่นคือวิธีทางที่ถูกต้องครับไลล่าอามิเตตหยุดนิ่งอยู่กับที่ทำให้รับพินต้องพลอยหยุดลงด้วยหลอนยืนหันหน้าประจันเขาระยะมันใกล้หรือเกิน กายต่อกายห่างกันไม่ถึงคือระพินที่แรกฉันสงสัยนะสงสัยว่าจะมีผู้หญิงคนไหนที่เขาจะมาคิดรักคุณอย่างจริงจังหนักหนาแต่เดี๋ยวนี้ฉันหมดข้อสงสัยแล้วละ่ะผู้หญิงคนนั้นเธอจะเป็นใครจะอยู่ในฐานะใดก็ตามถ้าเธอเป็นคนดีมีความคิด เธอก็จะต้องรักคุณอย่างจับจิตจับใจทีเดียวแหละกล่วาวจบเพียงแค่นั้นหล่อนก็พลักออกวิ่งจากเขาไปทันทีโดยตามหลังคณะพักที่ล่วงหน้าไปก่อนแล้วห่างประมาณห้าสิเมตรและกำลังลงสู่หุบปล่อยทิ้งให้จอมพรานเดินเนิบเนิบล้าหลังอยู่ตามลำพังคนเดียวหนองน้ำแห้งณเช้าวันนี้ ทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมแล้วสำหรับการเดินทางติดตามค้นหาระพินไครวันหัวนาคตเป็นภาพอันดำมืดทำนายอะไรไม่ถูกของผู้อยู่เบื้องหลังก้าวนาฬิกาตรงภายหลังอาหารมื้อเช้าและเป็นมื้อสุดท้ายที่จะกินกันบน บ, นบ้านพักกระพินซึ่งเจ้าของจากไปซะแล้วเทถาอนุชาชายันนานอินและนายอัมพล ก็ลงมาชุมนุมกันอยู่ที่ลานดินของบริเวณบ้านที่ปลูกคร่อมโขดหินและคร่อมไม้ใหญ่กองสัมภาระและพวกลูกหาบอาสาสมัครเข้าประจำที่เรียบร้อยนันอินมีพิธีอะไรอยู่กระสารเพียงตาที่ปลูกขึ้นและดูเหมือนจะรอเลิกยามตามพิธีของแก่จะขาดก็แต่ดารินวราริ์เพียงคนเดียวความจริงหล่อนพร้อมแล้ว นั่งพับเพียบจุดธูปบูชาพระพุทธรูปสวดมนต์ภาวนาอยู่ในห้องนอนซึ่งประดิษฐานอยู่บนหิ้งเล็กๆทางด้านศีรษะของเตียงนอนหล่อนใช้เวลานั่งพนมมือหลับตาเหมือนจะเข้าสมาธิอยู่นานทีเดียวชายยันย่องขึ้นมาดูสองครั้งแล้วเพื่อจะเรียกให้ลงไปแต่เห็นเพื่อนสาวนั่งพับเพียบนิ่งสำรวมจิตอยู่ต่อหน้าพระพุทธรูปเช่นนั้นก็ไม่กล้าเรียกหรือทำลายสมาธิ เดินเลี่ยงลงไปซะปล่อยหล่อนตามลำพังอธิษฐานขอพรพระและสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลายที่หล่อนนับถือทั่วสากลครบสิ้นราชาสกุลสาวก้มลงกราบกับพื้นแล้วลุกขึ้นยืนบัดนั่นเองหล่อนก็ชะ ง, งักเมื่อได้ยินเสียงระเบิดโผงโงกว้างกว้างดังอยู่ในละแวกใกล้เคียงไม่ห่างออกไปนะัก มันเป็นเสียงปืนลูกสองชัดๆแสดงว่าใครยิงอะไรอยู่ตรงปลายไร่ใกล้ๆหมู่บ้านนี้เองจากเสียงปืนนัดนั้นนั่นเองทําให้สภาพอันพูดคุยกันพึพรรมพำของพวกที่ลงไปรอยอยู่ก่อนแล้วข้างล่างเงียบกริบกันไปหมดชั่วขณะเพราะทํานายอะไรไม่ถูกคิดไปไม่ถึงว่าเช้า ว, วันที่จะเริ่มเดินทางนี้พวกลูกบ้านหนองน้ําแห่งคนไหน ดันเสือกทะลึ่งยิงปืนตูมตามขึ้นในเขตหมู่บ้านเฮ้ยอะไรกันนะไอ้ที่ไหนมันมายิงสลุดอยู่ตรงกลายไร้โว้ยเสียงที่ดังเอตเโรขึ้นแทรกเสียงอื่นๆหล่อนจำได้ว่าเป็นเสียงของนายอําพลดารินแทนที่จะเปิดประตูห้องเดินลงไปไม่ทันใจหล่อนจึงวิ่งมาที่หน้าต่างชะโงกลงไปยังลานดินเบื้องล่าง ที่พักพวกรวมกลุ่มกันอยู่ก่อนทันทีพร้อมกับตะโกนเสียงแหลมลงไปว่าก็ไรขึ้นพี่ยายยังไม่มีใครตอบหลอดในขณะนั้นเฉษฐาอนุชาชา ย, ยันและหนานอินบัตรนี้ไรเฟิลพร้อมอยู่ในมือแล้วไหวตัวกันพรือพรับเตรียมพร้อมต่างคนต่างยังไม่เข้าใจอะไรทั้งสิน้นร้องถามกันเอ็ดอึงประสานกับเสียงที่ฟังไม่ได้สับของพวกลูกบ้าน และพวกลูกหาดทั้งหลายที่ประจำอยู่กระกองสัมภาระก็วุ่นแตกตื่นกันไปหมดบัดนั่นเองจากปลายไร่ท้ายบ้านทุกคนก็เห็นร่างอันสูงใหญ่ของกระเรียงดงคนหนึ่งุวยแนบเข้ามาอย่างไม่คิดชีวิตและตะโกนฟังอะไรไม่ได้สักทั้งหมดพุ่งสายตาจับไปยังร่างในชุดเสื้อกางเกงดำและผ้าเคียนหัวสีแดงนั้นเป็นจุดเดียวพร้อมกับวิ่งสวนพรูกันเข้าไป ดารินมองอยู่บนหน้าต่างเห็นในระยะห่างออกไปแล้วหล่อนก็มีความรู้สึกที่บรรยายไม่ถูกยืนตัวแข็งตะลึงเมื่อได้ยินเสียงตะโกนกล้องกึ่งปิติกึ่งประหลาดใจของหนานอินดังมาว่าเฮ้ยนั่นมันไอ้ขยินลงช้างนี่วะมันล่นี่อะไรหัวสุก ห, หัวสุนห่อแนบเข้ามานั่นขยินขยินจริงจริงด้วยไปไงมาไงกันนี่ชยัน อนุชาและเชิฐาร้องออกมาเป็นเสียงเดียวกันบัดนี้กลุ่มข้างล่างก็พลูกันเข้าไปยังร่างที่โขยเป็นนักวิ่งโอลิมปิกเข้ามาในหมู่บ้านและแทะขึ้นท่ามกลางเสียงเอะโวยวายนั้นเป็นเสียงโกลจนาาแผลแรลนของโคชสารท่ามกลางความชุลมุนไปทั่วบริเวณกลางลานดารินคลตะลึงหันขวาช่วยได้จุด300ศูนย์ศ์เวทเม็กประจำมือ เห็นออกจากห้องทันทีหลอนไม่ใช้วิธีไต่ตามบันไดเสียเวลาแต่กระโจนสองพรวดถึงพื้นทันทีในขณะที่นานอินกับกลุ่มพี่ชายและเพื่อนแล่นพลวั่ไปก่อนแล้วส่วนนายอำพลยืนหมุนคว้างพะ ว, ว้าผวงทำอะไรไม่ถูกอย่างคนไม่เคยชินกับเหตุการณ์พวกนายการบริษัทไทยไวไลท์รู้สึกตั ว, ว่าตนจะทาอะไรก็ตรงที่เห็นดารินถือไรเฟิล วิ่งปราจะกลัวตามหลังพวกผู้ชายออกไปเองนั่นแหละเขาถึงได้โดดเข้าขวางไว้ตะโกนลั่นคุณหญิงครับ่อาออกไปครับช้างอะไรคนมาครับอาจจะเป็นได้ที่นายอัมพล ร, รู้จักแก่นแท้ของหม่อมราชวงศ์หญิงดารินวราริศน้อยไปหรือมิฉะนั้นเขาก็ไม่เคยมีโอกาสเห็นสภาพของหล่อนในระหว่างเดินป่าหญิงสาวป l a g อกโครมเดียว รงอ้วนใหญ่ของนายอัมพลก็กระเด็นออกพ้นทางทันทีเรี่ยวแรงของดารินในยามนี้ราวกับผู้ชายอกสามศอกแล้วหล่อนก็วิ่งด้วยฝีเท้าอันปราดเปรียวเกินเชื่อในสายตาของนายอัมพลพุ่งเข้าไปทันกลุ่มของเพื่อนและพี่ชายกับนานอินที่กําลังตรงไปยังท้ายหมู่บ้านอันเป็นละมอไม้ติดกระไรกล้วยนั้นผู้ที่วิ่งสวนอกตั้งเข้ามาเห็นแวบเดียวก็จําได้ ขยินจริงๆเจ้าขยินนักเลงโตแห่งลมช้างในมือของมันถือปืนลูกซองแบบสไลด์แอคชั่นกระบอกที่เชษถามอบไว้ให้ในครั้งนั้นวิ่งหอปูเลงปูเล ง, เ, ลงเข้ามาแพร่งตะโกนบอกความเป็นภาษากะเหรี่ยงโลงเลงเหมือนจะเตือนให้พวกในหมู่บ้านทั้งหลายรู้อะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นต้นเหตุให้มันเพนน่ากเข้ามานี่ปะทานากันอย่างจังระหว่างฝ่ายที่พลูสวนออกไป กระไฟที่วิ่งพรวดพลาดออกมาจากไร่เฮ้ยขยินนันอินเชขาอนุชาและชยันตะโกนขึ้นเป็นเสียงเดียวเจ้าองคุรีมานแห่งลมช้างดูเหมือนจะไม่คาดฝันมาก่อนว่ามันจะพบเห็นคนเหล่านี้มันหยุดชะงักกึกลืมเรื่องอื่นใดซะหมดสิ้นจ้องตะลึงพึงเพริดทิ้งปืนหลุดมือนย นั่นพวกเจ้านายของขยินแล้วนั่นขยินแหกปากออกมาสุดเสียงแม้ขยินจะใช้ภาษากระเรียงของตนแต่อันเนื่องจากกลุ่มของเชษฐาทุกคนบุกปาฟาดงคลุกคลีอยู่กับพวกนี้มาเป็นเวลานานจึงพอจะพูดและฟังกระเรียงออกพอสมควรทีเดียวบุคคลแรกที่ปราดเข้าถึงตัวก็คือหนานอินพริตาเดียวจากนั้นเชษฐาชา ย, ยันอนุชาและดาริง ก็พลูเข้าไปรายล้อมนายบ้านล่มช้างผู้เคยร่วมเป็นร่วมตายมาแล้วในอดีตส่งเสียงทักทายแซ่บไปหมดขยินนั้นความตื่นเต้นดีใจที่ได้พบเห็นเจ้านายเก่าก่อนทำให้มันไม่คิดถึงเรื่องอะไรเลยจ้องหน้าผู้ที่แวดล้อมรอบตนอยู่ในขณะ น, นี้ไปทีละคนด้วยอาการลุกล่นและเ อ, อ่ยเรียกชื่อไปทีละคนเหมือนไม่เชื่อสายตาจนกระทั่งมาถึงคนสุดท้าย นายหญิงเจ้านั้นร้องลัง่นพร้อมทั้งกระโดดโลดเต้นอยู่เร้าเราอย่างดีใจเหลือที่จะกลับมาได้สติรู้สึกตนก็ต่อเมื่อนันอินตบฉาดเข้าไปที่ก้านหัวคอขมาไปร้องถามมาเหมือนตอวาดว่าไอ้ขยินเมื่อเดี๋ยวมึงค่อยโห่ร้องเต้นระบำของมึงทีดังไอ้ตะกี้น่ยกยกมึงวิ่งตาแหกหนีอะไรหัวสุกหซุนมาเหรช้างช้างลุงอิน ไอ้ช้างริยำหางด่วนตัวนั้นแหละขยินชี้มือบอกโวยวายไปทางด้านหลังที่เห็นป่ากล้วยทึบไปหมดขยินปาหนาามันในไร่กล้วยนั่นมันร้องจ้าเข้าใส่ก็เลยตกใจกดตูมเข้าให้ลูกที่ใส่ปืนไว้ก็เป็นลูกยิงไก่ป่าไปยิงช้างมันก็เลยกวดไล่หลังขยินมาไม่ทันจะขาดเสียงของขยิน ก็ปรากฏเสียงช้างร้องก้องขึ้นอีกครั้งคล้ายในดวงกล้วยนั่นเองพร้อมทั้งเสียงต้นกล้วยล้มอยู่โครงครามระตานแนวทางที่มันบุกตะลุยเข้ามาแต่ดูจะไม่รุนแรงอะไรนะคล้ายๆมันจะเดินเข้ามามากกว่าวิง่งทุกคนไหวตัวอีกครั้งขยินเองแล่นไปหยิบปืยลูกซองของตนที่ตกอยู่มาถือไว้หันไปตะโกนด่าเอ็ดอึง พร้อมทั้งกวากมือท้าอยู่เยงเยงให้มันโผล่กมานั้นนิมตบปากชาเตออีกมันจึงสงบปากลงพรานเท่าชั้นครูเงี่ยโสดรับฟังเสียงอยู่อึดใจเดียวก็หันมาบอกกับทุกคนที่กำลังถือไรเฟิลเตรียมพร้อมอยู่ว่าไม่มีอะไรมากหรอกนายกงจะเป็นไอด้ดวน้างโทนตัวนั้นแหละมันไม่เคยฆ่าใครหรอก น, นั่นนางก็ย่องเข้ามาขามโมยพืชไร่ของชาวบ้านกินสักครั้งนึงแล้วก็ชอบวิ่งขับชาวบ้านเล่นแกะกลุ่มไม่เคยเอาใครถึงตายสักทีมันคงแอบย่องเข้ามาขามโมยกล้วยในไรน่นี่พอดีเจอก็ไอ้ไข่ยินไอ้เปรตนี่ก็คงไม่ทันด้วยแนะ่พาไปซัดมันด้วยกระสุนลูกปลายยิงไก่มันก็เลยไล่กระทึบเอา้าตอนนี้มันยังอยู่ในป่ากล้วยนั่นแล้วนายไม่กล้าตาบังมารกนั้นยินจะไปดูเอง พวกเจ้านายเอาไอ้ขยินนี่เข้าไปในหมู่บ้านนะไม่ต้องห่วงหรอกเมื่อนั้นอินพูดออกมาเช่นนั้นทุกคนก็คลายกังวลลงไปในทันทีอนุชาและชยันคว้าแขนขยินผู้โผลพรวดพลาดเข้ามาถึงราวกระปติหารลากตัวเข้าไปยังกลางลานของหมู่บ้านตรงบริเวณกองสัมภาระเชษฐาก็ก้าวเท้าตามมาติดติดการโผล่มาของขยิน่น ทำให้ทุกคนดีใจและอัศจรรย์ใจจนบอกไม่ถูกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพียงเวลาไม่กี่นาทีก่อนกำหนดการออกเดินทางซึ่งจะต้องมีเรื่องผู้จาสักถามกันมากมายนะักจะมีก็แต่ดารินคนเดียวเท่านั้นที่ไม่ได้ตามเข้ามาด้วยหล่อนเพียงแต่ตบหลังขยินโดยแรงอย่างปิติใจขิดสุดแล้วผลักให้ล่วงหน้าไปพร้อมกับพักพวกก่อนตัวหล่อนเองก็สะกดหลังหนานอินมาติด พร้อมกับขยับลูกเลื่อนขึ้นลำตามองไปยังบริเวณดงกล้วยที่ได้ยินเสียงเคลื่อนไหวอยู่สุดซบสุดซและเสียงลมที่เป่าฟึดฝัดฟึดฝัดออกมาจากงูพรานครูผู้เฒ่าได้ยินเสียงฝีเท้าหันฝักมาดูครั้งแรกคิดว่าจะเป็นนายชดซึ่งตามแกมาด้วยกลับกลายเป็นนายหญิงคนสวยก็ทำหน้าง ง, ง, งอ้าว นายหญิงตามนั้นอินมาทำไมแกรกระสิบให้ฉันไปด้วยสิคุณให้ฉันไปด้วยสักคนเลยลุงไม่ต้องห่วงหรอกฉันช่วยตัวเองได้อย่างน้อยถ้ากระสุนของลุงระบงิงเอินได้กระสุนของฉันก็รับรองได้นั้นอินไม่ว่าอะไรเพราะรู้มือกันดีอยู่แล้วจะสังเกตทิศทางลมและทําสัญญาณให้เดินเลี่ยงออกทางด้านซ้ายเลียบไปตามเส้นทางที่ชาวไร่ ของหมู่บ้านหนองน้ำแห้งอาศัยเดินไปสุดลำห้วยเลาะไปตามทางเส้นนั้นอย่างเบากริบเชื้อถาชยันและอนุชาก็แน่จริงเหมือนกันหันกลับมามองไม่เห็นน้องสาวเล็กตามมาด้วยก็รู้ใน ท, ทันทีว่าคงจะไปกระหน่นอินแต่ก็ไม่มีใครเอ่ยถามหรือ ก, กังวลใดๆทั้งสิ้นมัวแต่หันมาสนใจซักถามขา ย, ยินกันหมดเพราะดารินนั้น ถ้าอยู่ในเมืองหล่อนก็คือสุภาพสตรีสำอางโฉมคนหนึ่งแต่ถ้าอยู่ในป่าพร้อมทั้งไรเฟิลในมือเมื่อไหรหล่อนก็คือพรานอาชีพคนหนึ่งมีหน้ำซ้ำยังมีครูพรานขนาดหนานอินกำกับอยู่ด้วยเช่นนี้จึงไม่มีใครต้องห่วงเลยขณะนี้เราเข้าเหนือลุ่มมันนะลุงอินดารินกระซิบถือไรเฟิล พร้อมในมุมเงย45องศาซึ่งจะวาดลงมาได้ในทันทีที่เห็นตัน้งกพรเท่ายิ้มยิ้นนายหญิงรู้ด้วยเหรอว่าเราเข้าเหนือลมอ้าวฉันก็สิมีครูเหมือนกันนี่แม้ว่าเดี๋ยวนี้ยังไม่รู้เลยว่าครูของฉันน่ะเป็นตายร้ายดีอยู่ที่ไหนโอ้จริงนานอินก็ลืมไปปาก้วยมันถึกมาก เราบุกเข้าไว้ไม่ได้หรอกเพราะมองไม่เห็นตัวนั้นอินต้องการให้มันได้กลิ่นเราแ ล, ล้วพูออกมาเองมีอะไรผิดสังเกตอยู่มากนะลุงขยิงยิงแล้วมันก็ขับเจ้านั่นแล่นตาเหลือกออกมาแต่พอเราสวนกันออกมารับมันก็หลบอยู่ในดงกล้วยใกล้นี่แหละแทนที่จะพุ่งออกมาตามภาษาช้างป่า หมือมิฉะนั้นก็เบนหัวหนีไปเลยฉันฟังเสียงแล้วรู้สึกว่ามันป้วนเปียนอยู่กลางดงกล้วยนี่เองถอนกล้วยอ่อนๆกินตามปกติธรรมดาของมันมันผิดจากช้างป่าดูร้ายทั่วๆไปมากนะลุงอืมนายหญิงช่างสังเกตนั้นอินกดคิดอย่างนั้นเหมือนกันถ้าเป็นไอ้ด้วนจริงมันก็เป็นช้างพิเรนอยู่อย่างที่บอกแล้ว ไม่เคยฆ่าคนแต่ชอบขับคนเล่นชอบขโมยพืชไร่ของชาวป่าแต่มันก็กินอิ่มท้องมันตัวเดียวไม่เคยคุ้มครองเข้ามาสร้างความเสียหายอะไรมาก น, นักนายรพินก็เลยห้ามพวกชาวป่าทุกคนไว้ไม่ให้ใครทำอะไรมันจนกว่ามันจะฆ่าใครดารินเต็มไปด้วยความฉงนแปลกใจอ๋อ แพรใหญ่เขาห้ามไว้อย่างงั้นเหรอใช่นายราพินแกไม่เคยทําอะไรมันหรอกแล้วมันก็ไม่เคยตัวใครนอกจากนายราพินคนเดียวถ้าแกอยู่แค่แกตะเพิดไล่เท่านั้นแหละมันก็วิ่งป่าราบไปแล้วนี่มันคงรู้มะว่านายราพินไม่อยู่ถึงได้ย่องเข้ามาขโมยอีกแล้วความจริงมันก็จัดอยู่ในพวกช้างเกเรนะ แต่ก็ยังไม่ถึงก็เป็นช้างร้ายและนี่ลุงจะเอาอยัางไงกับมันที่นานอินเลือกเข้าทางเหนือลมก็เพื่อจะให้มันได้กลิ่นเราถ้าดวงมันดีจะยังไม่ถึงคาดก็ให้มันแล่นหนีไปซะแต่ถ้ามันผู้พูดพราดออกมานานอินไม่เอาไวล้ละเพราะปล่อยไว้ก็จะเกิดอันต ร, รายกับชาวป่าทั่วไปไม่ช้าก็เร็ว ชาวปลาคนอื่นๆน่ะเขาไม่ได้มีตะบะอันหน้าอย่างนายรพิ น, นี่แล้วถ้ามันกระทื้หรือฉีกใครซะก่อนแล้วไปตามไล่ล่ากันทีหลังก็ไม่มีประโยชน์เอาแน่แน่ไว้ก่อนดีกว่าไอ้ช้างปานเอาไว้ใจไม่ได้หรอกสีดอเหรอลุงตัวใหญ่มากไหมก็ไม่เชิงสีดอนะนายหญิงแต่งามันกุดสั้นนิดเดียว ตัวก็ใหญ่พอดูทีเดียวแหละกำลังคลองอายุสักยี่สิบปีเห็นจะได้หางก็กดด้วนนายราพินแกก็เลยเรียกว่าไอ้ด้วนมันไม่ยอมเข้าโขลงเข้าฝูงก็ใครหากินตัวเดียวโดดโดดช้างป่านาะยหญิงก็รู้อยู่แล้วทําไม่เฮี้ยนมากๆมันไม่อยู่โดดเดียวตัวเดียว ร, ะ, ระวังนะนายหญิงมันได้กลิ่นแล้ ว, ลวประโยคหลัง นันอินกระซิบเร็วปรือประทับปืนเตรียมพร้อมยืนปักหลักนิ่งเมื่อได้ยินเสียงสะบัดงวงฟาต้นกล้วยอย่างแรงและมองเห็นปลายงวงสายชูสูร่อนราขึ้นมาเหนือใบกล้วยที่ห่างออกไปแค่ไม่เกินยี่สบห้าเมตรพร้อมกับเสียงร้องแอะเบาๆครั้งหนึ่งโดยไม่ต้องเตือนเลยความคุ้นเคยกับการล่าช้างมาแล้ว ทำใหราชสกุลสาวเลี้ยงเขาหาต้นกระางใหญ่ขนาดสามคนโอบที่ยืนกลางงานอยู่ยึดเป็นที่มั่นไว้ก่อนแต่ไม่ได้จ้องไรเฟิลจริงจังอะไรนักถือลำกล้องเงยสูงอยู่เช่นเดิมเอนแน่ใจว่าท้าจําเป็นหลันยิงได้ทันและจะยิงเร็วกว่านานอินซะอีหลันอยู่เยื้องกับนานอินไปทางซ้ายมือเล็กน้อยห่างกันแค่สามสี่วาเท่านั้นสาหรับนันอินนั้น ยืนเด่นคอยทีอยู่กลางทางด่านชนิดที่ทรามันโผล่มาก็ซัด ก, กันซึ่งซึ่งหน้าแค่ระยะเผาขนไม่เกินสิบสี่สิบห้าเมตรเท่านั้นดารินเริ่มใจเต้นระทึกเมื่อได้ยินเสียงย่ำสวบสาดและยอดกล้วยไหวลู่ระเนนเป็นทางตรงมายังริมดงด้านที่หลอนและนันอินยืนดักอยู่ แต่ก็อดแปลกใจในอากาศกิริยาการเคลื่อนไหวของมันไม่ได้เพราะมันเดินดุมดุมออกมาทางด้านนั้นในลักษณะธรรมดาแทนที่จะโผลวิ่งตะลุยออกมาจะว่ามันจับกลิ่นผิดทิศทางก็ไม่เชิง น, นันนอินปลดห้ามไกไรเฟิลจุดหของแกเมื่อสังเกตเห็นกระดูกสันหลังมะคือมาโผล่ขึ้นเหนือยอดกล้วยเหล่านั้น กระดุกกระดุกตรงเข้ามาพร้อมกับเสียงร้องแอแอดังอยู่เป็นจังหวะต้นกล้วยถูกเบียดล้มอยู่สู้ซานกต่อยติวิตที่ซุ่มนอนอยู่ในป่ากล้วยและค้างขาวบินพลุว่อนไปหมดดาริงจ่องขมแ็งสะกดกลั้นลมหายใจขณะ น, นี้ลอนก็ลืมขยิน เสียชั่วขณะเพียงอึจใจเดียวเท่านั้นภูเขาสีโคลนย่อมย่อมลูกหนึ่งก็โผล่พ้นดงต้วยออกมาพร้อมกับงวงที่ชูขึ้นสูงและหัวที่เงยงแงนร้องอยู่แอแอเช่นนั้นขนาดของมันใหญ่น้องๆไอแวงที่หลอนเคยล้มมาแล้วแล้วก็จริงดังว่างามันอุดสั้นนิดเดียวทั้งสองข้าง นายอินเสยล้ำกล้องไรฟุ้นขึ้นเล็งไปที่ตำแหน่งปากที่อ้าอยู่นั้นเจ้สัญชาตญานหรือมิฉะนั้นก็สังหอนอะไรบางอย่างทําให้ดารินเพนออกจากที่กําบังพริตาและช่วงวินาทีเท่านั้นก่อนที่พรานเท่าจะลั่นไกอย่างเผาขนกะต้มเดียวหมอบหล่นตกปากกระบอกปืนไร้ฟุ้นของนายอินสูงขึ้นร้องห้ามเร็วปรืออย่ายิงลุงยิน นา้นอินเสียจังหวัดปืนเกือพลัดหลุดมือเพราะอาการตกอย่างแรงของราชสกุลสาตัวแกเองก็ตะลึงตัวแข็งคิดไม่ถึงว่านายหญิงจะเล่นออกมาขัดขวางไวในวินาทีวิกฤตเช่นนี้เพราะถ้ามันพุ่งปราดเข้ามาในยามนี้ก็แน่นอนที่สุดแหลกเหลวไปพร้อมกันทั้งสองคนชนิดลีกลบไม่ทันทีเดียวเนื่องจากกระชั้นชิดเกินไป ไม่ใช่ห้ามแกดารินยังยืนบังหน้าบังทางปืนแกไว้ซะด้วยหันหลังให้แกหันหน้าไปจ้องขม็ง้งเผชิญพญาคชสารผู้มีฉายานามว่าให้ดูมันเป็นวินาทีที่นานอินหรือใครก็ตามที่เห็นในขณะ น, นี้ทายอะไรไม่ถูกเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้น ดูวเวลาอึดใจเต็มเตที่ช้างใหญ่กิติศักดิ์ว่าเกะกะเกเรที่สุดตัวเท่าตึกกับสาวน้อยตัวสูงไม่ถึงใต้ท้องของมันที่ยืนประจันหน้ากันอยู่ด้วนอย่าทำอะไรเรานะเสียงดารินร้องออกมาเบาๆตาเล็กของไอ้ด้วน จ้องมาที่หลอนและหนานอินผู้ถูกกำบังอยู่ข้างหลังหูใหญ่ทั้งสองที่รีลู่ไปอยู่ด้านหลังบัดนี้โยกระพือผึดผับผึดผักแล้วงวงที่ชูขึ้นสูงก็ค่อยๆลดลงมาแกว่งโยนไปมา ช, าชา้าๆไม่มีอาการใดๆที่จะแสดงถึงความเกรียวกราดดุร้ายเลย นอกจากอาการอันเสื่องสึมผิดลักษณะของช้างป่าทั่วไปเมื่อเผชิญหน้ากับมนุษย์ด้วนดารินร้องทักไปอีกไอ้ด้วนผู้เป็นต้นเหตุให้ขยินวิ่งป่าแตกอกตั้งเข้าไปในหมู่บ้านเมื่ออึดใจที่แล้วเริ่มขยับเท้าหน้าก้าวช้าๆมีอาการขัด ยังไงพิกลแล้วในที่สุดร่างกายอันมหึมาของมันก็โผล่พ้นปากกล้วยออกมาทั้งตัวเมื่อนั้นเองทั้งดารินและหนานอินผู้จ้องตาเบิกค้างอยู่จึงสังเกตเห็นว่าขาหลังด้านขวาของมันอย่างพื้นดินไม่ถนัดนะักอยู่ในอาการยกและแตะพื้น ในลักษณะไม่เต็มฝ่าเท้าขเยกขเยเท้าอันใหญ่โตข้างนั้นของมันบวมแดงเป่งสังเกตเห็นได้ถนัดและเมื่อออกมาเต็มตัวแล้วเช่นนี้ก็แกว่งโยกตัวเองอยู่ไปมาไม่แสดงท่า ว, ว่าจะเคลื่อนเข้ามาใกล้อีกแปลกจริงในหญิงขาหลังตรงอุ่งตีนขวาของมัน ไปโดนอะไรครับทําไมมันเดินไม่ั น, นัดและดูท่าจะเจ็บปวดทรามานมากแต่ไม่มีรอยลูกปืนของกยินเลยลูกเบอรยิงนกของไอ้คยินไม่ได้ทำให้มันบาดเจ็บเลยจนนิดเดียวนั้นอินกระซิบบอกดารินด้วยเสียงที่บ่งบอกความสนเทสุดขีดต่อเหตุการณ์นั้น ดารินจ้องหน้าอันใหญ่โตนั้นสำรวจไปจนทั่วแล้วก็เห็นจริงตามที่หนานอินบอกไม่มีรอยลูกปืนหรือบาดแผลอื่นใดทั้งสิ้นนอกจากอาการบวมของอุ้งเท้าหลังด้านขวาและกิริยาอันเสื่องซึมเงื้อ ง, ง้อยเราก็ถูกอำนาจอะไรสักอย่างสะ ก, กดไว้ระยะมันห่างกันแค่เจ็ดแบบเมตรเท่านั้น ระหว่างมนุษย์กระจ้อยร้อยเบาวนายทั้งคู่กับช้างป่ามาฮือมาปานขุนเขาราชสกุลสาวขยับตัวจากก้าวเข้าไปหาแต่นั้นอินเหนียวแขนไวอย่านายหญิงอย่าเข้าไปลนปลดมือพลานเท่าออกทันทีมีหน้ำซํายังส่งไรเฟิลของตัวเองไปให้ช่วยถือไว้ด้วย ลุงฉันรู้สึกว่าเขาคงบาดเจ็บและต้องการความช่วยเหลือนะลุงเพียงแต่เขาพูดไม่ได้เท่านั้นแหละเอาละลุงยืนอยู่ตรงนี้แหละไม่ต้องตามฉันก็ไปฉันจะลองเสี่ยงชะตาอะไรดูบางอย่างถ้าช้างตัวนี้เกิดเป็นพิษเป็นภัยขึ้นกับฉันเมื่อไหร่ฉันก็ยอมตายแต่ถ้าเขาไม่ทําอะไรฉันเลยการติดตามประพินครั้งนี้ของฉัน สำเร็จหนหญิงนั้นอินและล่ำาละลักขึ้นอีกก้าวติดตามหลังแต่ดารินยันอกไว้ให้ยืนอยู่ที่เดิมตนเองก้าวช้าๆตรงเข้าไปหาพญาคชสา ร, รที่ยืนสงบนิ่งทมึนทึนอยู่ตามลำพังค่อยๆซื้อตัวลงนั่งถอนหญ้าข้างๆก า, า, ายขึ้นมาฟ้อ น, นยกขึ้นพนมจบเหนือศีรษะ หลับจาลงเสียงสัตว์อธิษฐานถึงมหาฤาษีโกนธัญญคุจาานเชื่อนี้มีท่าทีอันแปลกพิกลหน้าเวทนานะักกำลังตกอยู่ในห่วงทุกข์อันยังไม่รู้สาเหตุและกำลังต้องการความช่วยเหลือถ้าแม้นว่ากุศลครั้งก่อน เคยช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาและการเดินทางติดตามคนที่ลูกรักพวงหาถึงเขาจะสำเร็จที่ผลก็ขอให้พยาโคจสาณนี้จงรับย่าจากมือของลูกไปกินด้วยเถิดอธิษฐานในใจจบสิ้นดารินลุกขึ้นยืนช้าๆแล้วเดินด้วยสติ อันแน่วแน่มั่นคงจนถึงรัศมีที่งวงจะเอื้อมาคว้าได้พร้อมทั้งยื่นฟ่อนยญ้าที่ถอนขึ้นมาส่งไปให้ยังอัศจรรย์ที่สุดชนิดที่บุคคลซึ่งเคยเป็นอดีตควานช้างมาก่อนแล้วเช่นหนานอินไม่คาดฝันมาก่อนไอ้ด้วนค่อยๆยื่นงวงมาแตะเหมือนจะดมกลิ่นอยู่ตามใบหน้าและซอกคอของดารินอย่างแผ่วเบา จากนั้นก็ใช้ปลายงวงม้วนพับเอาฟ่อนหญ้าที่ถืออยู่ในมือของราชสกุลสาวเหมือนจะรับอย่างสุภาพที่สุดม้วนส่งเข้าปากเคี้ยวเอื้องดารินหลับตาลงพร้อมกับสูดลมหายใจอย่างแช่มชื่นเป็นสุขที่สุดในขณะที่นานอินแทบจะช็อกเป็นลมในปรากฏการณ์พิสดานเหลือเชื่อนั้น ต่อมาดารินลืมตาใสยิ้มออกมาอย่างยินดีน้ำตาคลอหน่วยด้วยความปลาปลื้มปิติเข้าไปโอบ ก, กอดงวงอันใหญ่โตนั้นไว้อย่างไม่ประวันพรั่นพรึงใดๆอีกทั้งสิน้นไอ้ด่วนค่อยๆเอางวงพันกายหล่อนไว้รอบๆอย่างเบาที่สุดเหมือนจะกอดตอบทำเสียงแอแอ อยู่ในลำคอแผวเบาไม่มีวี่แววของความดุร้ายแม้แต่นิดเดียวมันเชื่องเชื่องยิ่งเสียกว่าช้างเลี้ยงระพินเขาเข้าใจเธอดีเขารู้ว่าเธอไม่ใช่สัตว์ชั่วร้ายที่มีพิษมีภัยต่อใครเขาจึงไม่ทำอันตรายใดๆกับเธอรวมทั้งห้ามไว้ ไม่ให้ใครทำร้ายเธอด้วยฉันต้องขอโทษนะที่คนของฉันคนหนึ่งยิงเธอเมื่อครู่นี้แต่เขาก็คงทำไปเพราะความตกใจมากกว่าแล้วเธอก็ไม่ได้รับอันตรายจากกระสุนเม็ดเล็กๆเหล่านั้นเลยเธอกำลังเจ็บปวดทรมานอยู่ด้วยบาดแผลอย่างอื่นมากกว่าเอาละมอบลง หมอบลงนะหมอบลงลนสั่งอย่างแผ่วหวานเปี่ยมล้นไปด้วยความปราณีแล้วราวกับจะรับ ฟ, ฟังภาษาคนเข้าใจพญาคชาสารหรือไอ้ด้วนจอมอันพานค่อยค่อยคู้ย่อขาหน้าลงก่อนต่อจากนั้นก็ผ่อนขาหลังทั้งสองด้านลงในลักษณะนอนหมอบต่อหน้าหญิงสาว ผู้ใช้อำนาจจิตและบุญญาบารมีของตนเองที่สร้างสมไว้ก่อนแล้วเป็นเครื่องต่อรองโอ้ยนหนหญิงอะไรกันนั่นนั้นอินครางออกมาตาเหลือกต่อภาพที่เห็นหล่อนเอื้อมมือไปลูบที่ศีรษะใหญ่โตสากกระด้างราวกะก้อนหินแล้วเดินอ้อมไปทางขาหลัง ด้านที่เห็นบวมแดงผิดสังเกตนั้นทันทีระหว่างที่ช้างใหญ่หมอบนิ่งโดยเหยียดอุ้งเท้าหงายขึ้นเพื่อให้สังเกตได้ชัดลุงอินดารินหันมาร้องเรียกเบาๆเมื่อก้มลงไปตรวจดูอุ้งเท้าข้างนั้นและพอจะเห็นอะไรได้ถนัดเข้ามาช่วยดูกันหน่อยเร็ววางปืนทั้งสองกระบอกไว้ตรงนั้นแหละไม่ต้องเอาก็มาด้วยหรอกฉันขอรับรอง ว่าช้างตัวนี้จะไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใครอีกแล้วทั้งสิ้นด้วยความรู้สึกเหมือนฝันมุนงงไปหมดนันอินวางไรเฟิลทั้งสองกระบอกพิงต้นไม้ไว้ตามคาสั่งแล้วเลี่ยงอ้อมจากด้านหน้าของพญาช้างศารไปทางด้านหลังที่ดารินกาลังซุดตัวคุกเข่าจ้องดูอยู่พอหนันอินเข้ามาถึงหล่อนก็ชี้ นี่เห็นไหมลุงขนแม่ น, นยาวต้องร่วมฟุตพิมกับไปในอุ้งเท้าขวานี่จนมิดเลยโผลกมาจากตรงปลายเล็บมีปลายแ ล, ล้วโคนโผล่พ้นบาดแผลกมานิดเดียวเขาไม่สามารถจะช่วยตัวเองได้เลยคงจะถูกขนแม่นตำ ม, มาสองสามวันแล้วล่ะเนี่ยมีรอยเท้าข้างนี้ถูกรดินแข็งหรือหินเพื่อจะให้หลุดแต่มันไม่มีทางจะหลุดได้หรอกและเท่าทิ้งไว้ต่อไปอุ้งเท้าก็จะเน่า และขณะนี้ก็จะต้องเจ็บปวดทรมานมากฉันคิดว่าเขาเข้ามาที่นี่เพื่อหวังจะได้รับความช่วยเหลือมากกว่าที่จะมาก่อการร้ายอะไรนะลุงนะใช่แล้วแหละนายหญิงขนแม่นจริงๆแหละเจ้าหนี้คงเธอเรื่งกระทืบแม่นใหญ่เล่นแกะกลุ่มเลยโดนตั้มก็เต็มฟ้าตีนเลยแต่อะไรก็ช่างเถอะนายหญิงทำยังไงเนี่ยไอด้ดวนถึงได้ยอมมอบราบให้อย่างงี้โอ้ย นันอินแทบไม่เชื่อตานันอินพูดด้วยอาการเหมือนจะสำลักยังไม่คลายความตื่นเต้นตกประหมาต่อเหตุการณ์ดารินยิ้มสลัดผมที่ปลิวลงมาปลกใบหน้าบางส่วนให้กลับเข้าที่ก็ไม่เห็นต้องทำอะไรมากนี่ลุงนอกจากแผรเมตตาสัตว์ทุกชนิดในโลกนี้มีสัญชาตยานในการรับรู้ในความเมตตาปรานี ที่มนุษย์จะพึงมีให้แกมันโดยเฉพาะช้างซึ่งเป็นสัตว์ที่มีมันสมองและมีความฉลาดเหนือกว่าสัตว์อื่น อ, อย่าเสียเวลาอยู่เลยลุงสิ่งที่ฉันต้องการด่วนขนาดนี้คือคีมสำหรับขีบตะปูอันโ ต, โตโตสักหนึ่งอันแล้วก็หีบเครื่องเวชภัณฑ์ลุงช่วยวิ่งจีไปบอกในายใหญ่เถอะแล้วให้พวกนั้นขนมาให้ฉันจะจัด ก, การถอนขนเม่นและรักษาแผลให้ด่วนก่อน ที่จะออกเดินทางเช้าวันนี้แล้วก็ใหญ่เ อ, อะอะเป่าร้องให้ใครแห่กันมาเต็มไม่หมดละ่ะแต่เดี๋ยวเขาจะตื่นตกใจและทำเรื่องขึ้นบอกเฉพาะพวกเราสีห้าคนก็พอละนายหญิงจะอยู่กับไอด้ดวนตามลำพังยังงี้เลยขนาดที่หนานอินเป้าของอะ่ะไม่ต้องห่วงรกลงุงไปจัดการตามที่ฉันสั่งเถอะฉันอยู่กับเขาได้ขนาดยืนทำมึนจังก้าอยู่ ยังสั่งให้ชุดหมอบลงได้นี่นะขณะนี้เขาเปรียบเสมือนน้องชายของฉันละหนานอินกรอกหน้าอยู่ไปมาพระดารินสั่งมาอีกครั้งจึงออกเดินลิวล้วลๆลไปแต่แล้วก็หยุดชะงักหันมาดูอีกครั้งเห็นราชจจสกุลสาวยังนั่งอยู่ทางด้านขาหลังของช้างใหญ่หนานอินลึกไม่ออกจริงๆว่าจะบอกพวกเจ้านายได้ยังไง นานอินอนะควานช้างเก่านะแต่ยังทำไม่ได้อย่างนายหญิงเลยดาลินหัวเราะโบกมือให้นานอินอนะควานช้างเก่าก็จริงแต่ควานช้างถ้าเผลอหรึไปทารุนกับช้างมากๆ ก, ก, ก็มีโอกาสถูกช้างกระทืบได้ฉันนะ่ะไม่เคยเป็นควานแต่ฉันก็สิ์มีครูเหมือนกันแล้วครูของฉันก็ไม่เฉ่พรานใหญ่ระพินไพวันคนเดียว ยังมีพระคุณเจ้ามหาฤาษีกนธัญญะอีกองค์หนึง่งคอยคุมไวไปเร็วเข้าไม่รู้จะบอกพวกเขายังไงก็ให้เขามาดูกันเองเห็นเองดีกว่านั้นอินกวีกระวาดพละจากมาโดยเร็วโดยคว้าปืนของแกเองติดมือไปด้วยตามนิสัยเคยชินคงทิ้งรีไรเฟิลของดารินให้วางพิงอยู่ที่เดิมเท่านั้นเมื่ออยู่กันตามลาพังสองต่อสอง ระหว่างช้างใหญ่ผู้มีอาการทุพพลภาพกับหญิงสาวผู้มีน้ำใจกรุณาลอนหวนกลับมายืนดูมันอยู่ตรงหน้าอีกครั้งมือคงลูปแตะอยู่ที่ศีรษะใหญ่โตนั้นกระซิบด่วนเลยเราเคยอุปถัมภ์กันมาก่อนเพราะฉะนั้นเราถึงได้มาพบกันในลักษณะอย่างนี้อย่ากลัวนะอย่าตื่นเต้นอะไรทั้งสิน้น รพินก็เคยกรุณาเธอยังไงมาแล้วฉันก็จะกรุณาเธออย่างนั้นเจ้调ด่วนหมอบนิ่งอยู่เช่นนั้นเพียงแต่ชูงวงขึ้นสูงแล้วลดลงเกี่ยวเอาร่างของหญิงสาวให้ลม้มลงนั่งไปบนโคนขาด้านหน้าของมันหล่อนเพิ่งจะสังเกตเห็นเดี๋ยวดีเองว่ามันมีน้ําตาไหลเป็นทางเกิดมาก็เพิ่งครั้งนี้แหละ ที่หลอนเห็นน้ำตาช้างทํอาหล่อนน้ำตาไหลไปด้วยความตื่นเต้นปิติแล้วเวทนายังไงพันนาไม่ถูกประมาณไม่เกินหนาทีระหว่างที่มนุษย์สาวน้อยกับช้างป่าทมืนที่อยู่ด้วยกันถ่ามกลางความเปรียวเปล่าตามลำพังเสียงฝีเท้าก็ย่ำมาตามทางด่านอย่างเร่งด่วนกะจำนวนคนาราวๆสีห้าคน เจ้าด้วนร้องแอ้ออกมาอีกคำหนึงตั้งท่าจะลุกขึ้นแต่ดารินจับใบหูรั้งไว้แน่นพูดละล่ำละลักนอนนิ่งอยู่เฉยเฉยเช่นนี้แหละด้วนอย่าลุกขึ้นไปนั้งขาดนะฉันรับรองจะไม่มีอันตรายกับเธอทั้งสิน้นเชื่อเถอะทุกคนจะเป็นมิตรกับเธอด้วนเจ้าเขาจะสารใหญ่ทายหัวอยู่ไปมา ในลักษณะกระสับกระส่ายแต่ก็ปฏิบัติตามคำสั่งของหลอนอึดใจเดียวเชษฐถาอนุชาและช ย, ยันก็พลูพ้นทางด่านออกมาทั้งพี่ชายและเพื่อนพอมองเห็นภาพที่ปรากฏอยู่กระสายตาเบื้องหน้าแม้จะได้รับการบอกเข่าบอกเร่าวๆจากนั้นอินมาก่อนแล้วก็ถึงกับยืนนิ่งตัวชากันไปชั่วขณะ ถยินก็นานอินช่วยกันแบกขีเวชพันตามมาเบื้องหลังสัหรับขยินนั้นยังลังเลไม่กล้าเข้ามายืนหลบอยู่หลังบุคคลทั้งสาส่วนนั้นอินเดินอ้อมไปทางด้านหลังตามปกติดารินพอมองเห็นเพื่อนและพี่ชายทั้งสองก็บุกมือให้พร้อมทั้งเอานิ้วแตะริมฝีปากทำสัญญาณไม่ให้ทุกคนออกเสียงเออะหรือทำอะไรผิดปกติ เพราะขณะนั้นแม้จะยังหมอบอยู่กับพื้นเจ้าด้วนก็แผ่หูกลางพึ่งขึ้นทันทีเมื่อเห็นกลุ่มมนุษย์ไปหาน้องเราเป็นไปได้ยังไงนี่กลายเป็นควานช้างไปซะแล้วช้างป่าเคเรซะด้วยเสียงหมอมราชวงศ์อนุชากระซิบแผ่วเบาแต่ทุกคนก็ยืนจ้องสงบนิ่งแทบไม่เชื่อสายตา ดารินลุกขึ้นยืนแล้วหล่อนก็ยืนอยู่ในระหว่างซอกขาหน้าทั้งสองข้างของเจ้าด้วนนั่นเองพูดแผ่วหวานต่อไปกับมันว่าด้วนพวกเราทั้งนั้นแหละเขาจะมาช่วยเธอเฉยๆนะอย่าลุกขึ้นหรือทาอะไรขึ้นเปน็นันขาดแล้วหล่อนก็หันมาทางพักพวกโบกมือเป็นสัญญาณให้ทุกคนเหล่านั้นเลี่ยงอ้อม เข้าไปทางหลังของเจ้าด้วนโดยไม่เอ่ยเป็นเสียงพูดให้ดังโวยวายขึ้นอย่างใดทั้งสิ้นกลางช้ยันแล้วก็ขยินอ้อมไปทางด้านหลังของมันตามที่น้อยชี้บอกนะเชษฐากระสิกตนเองยังยืนอยู่กับที่อ่ะแล้วแกล่ะเชษฐาเออนะ คือค ว, วามไม่ประมาทฉันจะยืนอยู่ตรงนี้แหละจะยืนนิ่งนิ่งเฉยเฉยแต่ระวังเตรียมพร้อมไว้ถ้าเห็นผิดปกติยังไงพวกเราจะต้องปลอดภัยไว้ก่อนเราเชื่อในสัญชาตญาณลี้ลับระหว่างน้อยกัะไอ้ด้วนว่าสามารถเข้าใจกันได้อย่างที่เห็นและอย่างที่นันอินเล่าให้ฟังแต่หนึ่งเปอร์เซน ถ้าเผื่อมันจะเกิดบ้าขึ้นมาทั้งก็จะหยุดมันได้ทันทีเหมือนกันก่อนที่พวกเราคนหนึ่งคนหนึ่งคนใดจะลิบ น, นั่นเป็นความรอบคออคีดสุดตามนิใสใยของพี่ชายใหญ่แห่งตระกูลซึ่งอนุชาและชยันก็เพิ่งจะนึกขึ้นมาได้และเห็นด้วยถ้ายินนั้นเห็นชัดว่านอกจากความประหลาดใจที่เห็นไอ้ด่วน มอบให้กับนายหญิงเรากับเป็นช้างเลี้ยงแต่ก็ปอดแหกเต็มที่เพราะตนเองนะ่ะไปยิงมันเข้าก่อนเมื่อยกยกนี่เองค่อยๆเดินอ้อมห่างลิบขาสัน่น ป, ป, ป, ปับๆๆบังหลังชายันกับอนุชาเข้าไป พ, พึมพำเสียงสั่นรัวนายหญิงนะั่นไม่ใช่คนธรรมดาเสีแล้วเป็นเจ้าแม่ช้างหกสิบแปด ดารินนั้นขอยืนบังตาของเจ้าด้วนทางด้านซ้ายซึ่งพักพวกเดินเลี่ยงอ้อมเข้ามาแล้วมองไปยังพี่ชายใหญ่อย่างสงสัยที่ไม่เห็นเข้ามาด้วยหากแต่ยืนระวังคุมเชิงเฉยอยู่ด้านหน้าห่างออกไปราว15ห้าเมตรหล่อนทำหน้าสงสัยตีบุ่ยตี่บเหมือนจะถามเชียค่ก็ยกมือขึ้นโบกช้าช้าแล้วชี้ที่ปืนของตนเอง กับตำแหน่งที่ยืนอยู่เป็นเชิงบอกให้ทราบว่าเขาจะระวังเตรียมพร้อมคุ้มครองทุกคนให้อยู่ตรงนี้ดารินเข้าใจความหมายนั้นไม่สู้จะพอใจนักแต่ก็ไม่ว่าอะไรสังเกตดูไอ้ด้วนก็มองเขมงไปยังเชษฐาอย่างไม่ไว้วางใจสนิทเหมือนกันราชสกุลหนุ่มทำเป็นวางตัวปกติ คนไรเฟิลที่ขึ้นลําพร้อมอยู่ในแขนท่าทางไม่ได้จ้องระวังอะไรนักเพราะแน่ใจว่าถ้าเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นก็จะยิงได้ทันแล้วค่อยๆหย่อนกายลงนั่งจุดบุรีสูบตามองดูการเคลื่อนไหวของพรรคพวกเบื้องหน้าแทบไม่กระพริบเลยทำให้ดารินต้องคอยยืนบังหน้าให้ด่วนไวด้วยเพราะเกิดไม่แน่ใจขึ้นมาว่ามันจะเกิดอารมณ์พุ่งพล่านขึ้นเมื่อไร พระเชษฐามานั่งคุมเชิงอยู่เช่นนั้นนั้นอินอนุชาชา ย, ยันและขยินเข้าถึงขาหลังด้านนั้นแล้วเสียงพี่ชายกลางร้องออกมาเบาๆว่าเอาคุณหมอช้างเชิญมาจัด ก, การปรถมพยาบาลให้มิสเตอร์ด้วนของเธอได้แล้วน้อยออกไปจากด้านหน้าของเจ้าด้วนไม่ได้หรอกค่ะพี่กลางมันกําลังจ้องพี่ใหญ่เป๋งเชีะพี่ใหญ่ก็จ้องมันอยู่ ถ้าน้อยออกพ้นจากด้านหน้าของมันบระเดี๋ยวพ่อแกประคุณนี่ก็ลุบพรวดพลาดขึ้นมาพิธีแตกซะเท่านั้นพี่กลางกับชา ย, ยันช่วยกันเถอะไม่ยากอะไรหรอกฉีดยาชาให้ก่อนตรงบริเวณบาดแผลที่ถูกขนเม่นตัสักยี่สิบซี ซ, ซ, ซ, ซีรอสักครู่นะึงแล้วเอาคีมดึงขนเม่นออกระวังดึงให้ดีนะคะอย่าให้หักคาอยู่ข้างในพอขนเม่นออกหมด ก็เอาอยาฆ่าเชื้อเทราที่อุ้งเท้าทั้งโขวดเลยจากนั้นก็ใช้ทิงเจอราดซ้ำอีกสักสามสิบซีซีก็เรียบร้อยโอเคพวกเราจัดการให้เองว่าแต่เจ้าแม่ก็คุ้มมิสเตอร์ด้วนให้ดีนะใหญ่พอ阿าวาดขึ้นไปนั้นขาดเผ็นกันไม่ทันดีเดียชายยันว่าหน้ารับรองพันเอร์เซ็น ดารินบอกไปทางเบื้องหลังอย่างมั่นใจเต็มที่มือก็ลูบไล่อยู่ที่โคนงวงใหญ่โตนั้นและคอยพูดปลอบโยนเจ้าด้านวนไว้ตลอดเวลาด้านหลังของหล่อนพวกนั้นกําลังช่วยกันอย่างขมิ้นขมันตลอดเวลาเจ้าด้วนนอนนิ่งไม่ได้ส่งเสียงร้องหรือแสดงอาการเจ็บปวดใดๆทั้งสิ้นเชษฐาผู้นั่งอยู่ด้านหน้าก็ดูเหมือนจะค่อยๆวางใจขึ้นมากแล้ว ธาดไรเฟิลขนาดหนักไว้กัดตักพักใหญ่ก็ดูเหมือนจะเรียบร้อยเสียงทางด้านหลังถอนใจออกมาโล่งอกกระซิบพูดอะไรกันพึนรรมพำแล้วอนุชาวราริตรือนายชดในอดีตก็ร้องบอกน้องสาวมาว่าเรียบร้อยแล้วศัตวแพทย์จำเป็นจัดการให้เสร็จตามที่คุณหมอสั่งแล้วขนเม่นออกมาได้หมดไม่ได้หักค้างคาอยู่เลย ขยินเป็นคนเอาคีมดึงออกมาแต่กว่าจะดึงออกมาได้หมดก็เล่นนักเจ้านักเลงโตหลุมช้านี่เหงื่อแตกเหงื่อแตนไม่ได้เหงื่อแตกเพราะออกกําลังเราแต่มันตัถูกดีด้วยลูกหลังจะมากกว่าดารินยิ้มออกมาได้อย่างพอใจสั่งว่าถ้าเรียบร้อยแล้วทุกคนขนหีบเวชพั์เดินอ้อมกล อ, อกไปสมทบกับพี่ใหญ่ตามเดิมเคาช้านะอย่าพูดพลาด ทำให้ได้เหมือนอย่างตอนเข้ามาสีคนปฏิบัติตามคำสั่งของหล่อนอีกครั้งเก็บเครื่องมือเครื่องใช้เข้าหีบเวชภัณฑ์แล้วล่าถอยอ้อมห่างโดยใช้แนวทางเดียวกับวิธีเดินเข้าชั่วครู่ก็ไปรวมตัวกันอยู่เบื้องหน้าตรงตำแหน่งที่เชษฐานั่งคุมเชิงอยู่ปาริงยิ้มพรายก้าวมาจากซอกขาหน้าที่เหยียดหมอบอยู่ของเจ้าด้วน <c oughs> แล้วสั่งทันที <c oughs> เอาละด้วนเธอปลอดภัยเรียบร้อยแล้วลุกขึ้นยืนเธอหล่อนพูดในภาษาของหล่อนแต่ภาษาของหัวใจหรือแววตามันเป็นภาษาแห่งสากลจักรวาลของสัมสั์พยาคชสารพยุงกายขึ้นยืนทันทีร่างของมันก็พังงาทามึนทึนบานขุนเขาเช่นเดิม ขาหลังยังงอคังอีกขยกอยู่เช่นนั้นแต่ช่วงงวงขึ้นสูงอีกครั้งพร้อมกับออกเสียงร้องยาวก้องขึ้นเหมือนจะเป็นเสียงแห่งความขอบคุณขาที่ยกงออยู่นั้นแตะแตะยันยันพื้นอยู่หลายครั้งแต่ก็ยังไม่เคลื่อนไหวไปไหนสิ่งที่ทุกคนเห็นด้วยความประทับใจอีกครั้งก็คือ ช้างป่าใหญ่โตตัวนั้นลดงวงมาวางพาดอย่างแผ่วเบาลงแตะไหลของดารินด้วยอาการอันเคารพอ่อนโยนที่สุดร่อนเอามือแตะริมฝีปากตัวเองแล้วเอารอยจูบนั้นแตะที่ปลายงวงพูดดังดังขึ้นโชคดีนะด้วนเธอไปได้แล้วไปตามทิศทางของเธอ ขอให้ความสวัสดีจงมีแด่เธอตลอดชั่วอายุไขจํจำที่ฉันขอสั่งไว้ก่อนจากกันด้วยนะนั่นก็คืออย่าไปทำร้ายหรือเป็นพิษเป็นภัยต่อมนุษย์คนใดทั้งสิ้นเป็นสุขเป็นสุขเธอนะดะด้วนเจ้าด้วนเริ่มโยกตัวเคลื่อนไหวดารินถอยห่างออกมาอีกเล็กน้อยหูที่กลางพึ่งของมัน บัดนี้โบกกว่าไปมาแช่มช้าแต่ตาเล็กตีมองไปยังข ย, ยินเพียงคนเดียวทำาหอเจ้านั่นขาสั่นขึ้นมาอีกเฮ้ยไปสิเอเวนไม่ยืนมองข้าอยู่ทำไมไปข ย, ยินตะโกนเป็นภาษาของตนพลางบุกมือไล่คราวนี้เจ้าด้วนแทดเสียงร้องดังก้องผิดไปจากเดิมจนทุกคนสะดุ้ ดารินคนเดียวเท่านั้นที่อ่านใจขดชะสารได้ถูกต้องหล่อนหันไปทางขยินทันทีตะโกนเรียกเสียงเฉียบขาดขยินครับนหยยิงนั่นเป็นคําตอบรับภาษาไทยประโยคเดียวที่ขยินพอจะขานตอบได้คํามานีนี่เดี๋ยวนี้แหละหลอนพูดกระเหลียงได้ชัดเจนพอสมควรทีเดียวโอ๊ยนหยยิง แกขยินเขาไปใกล้ๆด่วนนั่นน่ะเหรอใช่เรานัา่นแหละเข้ามาเ็าไปทำอะไรเขาไว้อะมาขอโทษมาเอาหัวสี่ต่อกันซะเดี๋ยวเนี้ขยินตาเหลือกมันก็กระทึบขยินแบนตัแแต่เพราะต น, นั้นดินหญิงหลอนสันสีสันออกคำสั่งเฉียบขาต่อมาขายินโวลันทำท่าจะเพน กระนันอินคว้าคอไว้กระชากเข้ามาอันว่าเจ้านักเลงโตหลุมช้างนั้นในบรรดาชาวป่าด้วยกันแล้วคนที่จะลงมือลงตีนกับมันได้ก็เห็นจะมีอยู่แค่สองคนเท่านั้นคือบุญคำกระนันอินนอกนั้นแล้วมันไม่เคยกลัวใครเลยไปไอ้ถ้ยินอย่าขัดคำสั่งนายหญิงไป ยินหน้าซีดเผือดค่อยๆเดิน ร, ร, รีรีรอรอขาสั่นบปับปัเข้าไปดารินร้องสั่งมาอีกให้ฝากปืนไว้ที่หนานอินหรือคนใดคนหนึ่งก่อนจะให้เดินเข้ามาขยินจำใจต้องส่งปืนไปให้ใชยันผู้อยู่ใกล้ที่สุดแล้วกลั้นใจเดินเข้ามาแล้วก็แทบจะล้มใสเมื่อนายหญิงสั่งให้มันก้าวเข้าไปหยุดยืนอยู่ตรงหน้าเจ้าด้วน เพียงแค่งวงคว้าถึงเจ้าด่วนขมึงตามองของม็งโบขู่อยู่เช่นนั้นเอาละ่ะกล่าวคำขอขอมาต่อเขาซะเพื่อว่าจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันอีกด่วนยังไม่ยอมไปก็เพราะยังคล่องใจเรื่องที่เขายิงยิงเขาตะกี้แหละโธ่ขยิงน่นไม่ได้ตั้งใจเลยนะนาะหญิงมันบ่นอ๋อย หน้าแทบไม่มีสีเลือดเบื้องหลังออกไปเชษฐาชัยันและอนุชาก็เตรียมระวังพร้อมไว้ให้อยู่แล้วและมองภาพเบื้องหน้าขมิงนั่นแหละเคยยินเจ้าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจด่วนก็โกรธเธอมากแล้วฉันไม่ต้องการให้มีการผูกพยาบาทอะไรกันอีกโถนะหญิง นายหญิงใจขยินขอก็มามันยังไงอ่ะขยินพูดภาษาช้างไม่เป็นนะพูดภาษาช้างไม่เป็นก็พูดภาษาคนนี่แหละเอา้าคอยพูดตามนะฉันจะบอกให้พนมมือขึ้นพนมมือเป็นไหมขยินพนมมือขึ้นเก่งๆกลางๆเพราะมันก็ไวไม่ค่อยจะเป็นอะทีนี้ก็พูดตามนะจะบอกให้ เจ้านักเรียงโตหล่มช้างพยักหน้าเงึกงักตายังมองไปที่เจ้าด้วนอย่างขวัญหนีดีโอเช่นนั้นแต่ก็ยังอุ่นใจที่มีนายหญิงยืนเป็นควานกำกับอยู่ใกล้ชิดขวางหน้ามันไว้เช่นนี้ข้าแต่พยาคตจะสารผู้ยิ่งใหญ่ดารินเอ่ยนำขึ้นเป็นภาษาไทยดังๆขยินว่าตามด้วยเสียงแปลงๆของมัน สิ่งใดก็ตามที่เราได้ล่วงละเมิดต่อท่านไปแล้วขอจงเอาหัวสีและให้อภัยต่อกันด้วยเถิดอย่าได้คิดอาฆาตจองเวรต่อกันอีกเลยขยินว่าจบกระแสความผิดผิดถูกถูกไปตามเรื่องของมัน แล้วสิ่งมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้นอีกครั้งเจ้าด้วน ย, ยื่นงวงออกมาเหนือระดับหัวของขยินผู้ตกใจจนตาแทบจะปลิ้นแล้วก็เคาะจะงอยปลายงวงลงกลางกระบาลมันเบาๆดังป๊อกขยินร้องแวกล้มจำบ่าวลงกับพื้นพญาคคจะสารใหญ่ก็เริ่มเดินสายตัวถอยหลังเข้าไปในโดงกล้วย อย่างช้าๆส่งเสียงร้องยาวอยู่เช่นนั้นและก่อนจะลับตามันยังเหยู่นี่นเหมือนจะมองมาทางดาริงอีกครั้งเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะกลับเข้าดงกล้วยในลักษณะเดินถอยหลังเช่นนั้น